วิธีแต่งตั้งผู้อื่นและกรรมวาจาอย่างไรเล่าชื่อว่าภิกษุรูปหนึ่งแต่งตั้งภิกษุอีกรูปหนึ่งคือภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงสารด้วยยติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสมบทหาเปรคาของท่านผู้มีชื่อนี้ถ้าสงพร้อมกันแล้วท่านผู้มีชื่อนี้พึงสอนซ้อมผู้มีชื่อนี้อย่างนี้ ชื่อว่าภิกษุรูปหนึ่งแต่งตั้งภิกษุอีกรูปหนึ่งภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นพึงเข้าไปหาอุปสมบทาเบิกขะกล่าวแล้วอย่างนี้ว่าเน่ผู้มีชื่อนี้เจ้าฟังนะนี่เป็นการสัตย์การจริงของเจ้าเมื่อภิกษุผู้สอนซ้อมถามในท่ามกลางสงถึงสิ่งใดที่เกิดสิ่งที่มีพึงบอกว่ามีไม่มีก็พึงบอกว่าไม่มี เจ้าอย่าสะทกสะทานอย่าเก้อเขินพิสษุนผู้สอนซ้อมจกถามเจ้าอย่างนี้ว่าอาพัชนีของเจ้ามีอยู่หรือคือโรคเรื้อนโรคฝีโรคกลางโรคมองคร่อโรคลมบ้าหมูเจ้าเป็นมนุษย์หรือเจ้าเป็นชายหรือเจ้าเป็นไทยหรือเจ้าไม่มีนี่หรือเจ้าไม่ใช่ราชพัฒนหรือมารดาบิดาอนุญาตเจ้าแล้วหรือเจ้ามีอายุครบยี่สิบปีแล้วหรือ เจ้ามีบาทและจีวรครบแล้วหรือเจ้าชื่ออะไรอุปชาของเจ้าชื่ออะไร